ธรรมชาดกแผ่นที่สลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินถาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่29กกรกฎาคม2548มีชื่อเรื่องว่าดินสูบพระเจ้าสุ ป, ปะพุท ธ, ธวันนี้เป็นวันพระ แรม8ดคำ่ำเดือน8เข้าพรรษามาวันนี้เป็นวันที่8เป็นวันพระแรกที่พวกเราอุบาสกอุบาสิกาภิกษุมาพร้อมกันทำวัดสวดมนต์ที่สลาแห่งนี้แล้วอคงจะเป็นวันต่อๆไปคือ15้าค่ำและกระทุกวันพระจนกว่าจะออกพรรษา แต่สำหรับพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดของเราไม่มีแล้งไม่มีฝนจะปฏิบัติกันสม่ําเสมอทุกวันพระส่วนพระสงฆ์บางครั้งก็จะมีการประชุมหาหรือกันบ้างเป็นการเฉพาะเพราะเหตุว่าเพราะวินัยหรือกฎระเบียบของพระสงฆ์บางครั้งเรากเคยพูดเฉพาะพระสงฆ์ในแถวแนวของพระทางว่าพูด สำหรับฆราวาสญาติโยมก็ไม่จําเป็นที่จะได้รับรู้รับทราบเพราะไม่จําเป็นสําหรับญาติโยมแต่กบางครั้งก็ควรจะพูดให้ญาติโยมได้ศึกษาบ้างเหมือนกันเพราะมันเกี่ยวกับศรัทธาญาติโยมแต่โดยมากก็ท้าวว่าไม่เกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติของพระเราก็บชุมเฉพาะพระให้พระรับรู้รับทราบมันก็ต้องมีในกบ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 ไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องมากพระเนนก็อยู่แบบอิสระอยู่แบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครแต่พอมามีญาติโยมเข้ามาหลายหมุงหลายคณะตลอดถึงพระเนร์เข้ามาหลายองค์เข้ามาก็ต้องมีกฎเกณฑ์มีกฎระเบียบขึ้นมาภายในวัดว่าเราจะอยู่ร่วมกันหรือบริหารจัดการเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของพวกเราอย่างไร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 และกระเก่าก็มีสำหรับเก่าก็ไม่มีปัญหาแต่สําหรับพระใหม่ก็ต้องได้เรียนรู้ได้ศึกษาแต่สําหรับพระเก่าถ้าทําอะไรออกออกไปก็แปลว่าดื้อด้านหานกล่าวไปอย่างนั้นแหะตาตามไม่จริงมันไม่ถูกจะทําอะไรออกไปสิ่ไหนออกไปเราต้องพิจารณาทบทวนเพราะเราพราะเราเข้ามาศึกษา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 คือการกระทำนี่ในปัจจุบันน ก, กรรมอดีตกรรมที่พวกเราได้รับใช้ผลของกรรมในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องเนี่ยกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย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 พระเจ้าสุปาพุทธนี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเมืองเทวท่าเป็นใครเรียงลาดับก็คือเป็นพระเจ้าลุงของพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าลุงยังไปแล้วยังเป็นพ่อตาของพระพุทธเจ้าอยูเป็นพระบิดาของนางพิมพายโสธราแล้วก็เป็นพ่อของพระเทวทัตอ่าท่านสุปาพุทธเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่คนละฝักบังน้ํากันแม่น้ําโครฮินีกบิลพัทกับ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 ยุคสมัยเก่าแก่เขาจะรักษาวงตระกูลของเขาเจ็ดชั่วโคดก็จะแต่งงานในพี่ในน้องบางทีการแต่งงานพี่แต่งงานกับ น, น้องอย่างนั้นได้เห็นเป็นบ่อยๆในในพระไตรปิฎกนะแต่ในครั้งนี้คือพระเจ้าสุปาภูธนี่ก็เป็นเป็นลุงในนามลุงแต่แม่อัคบาเหสีของสุภาุทธนี่ก็คือ น้องพระบิดาของพระพุทธเจา้าน้องสาวแท้ๆของพระเจ้าสุโธธนะตอนที่พระพุทธเจา้าพระเจ้าสิทธัตถะนี่ก็ได้อภิเศกสมรสกับนางพิมพายาโสธราแบบคือเป็นเมืองเทวธาหานั่นะคู่กับกรุงกบิลพัทต่อมาพรทธองค์อายุ29ปีได้ลูกชายคือพระราหุนท่านก็เห็นความแก่เจ็บตายอย่างที่เคยพูดให้ เล่าให้ฟังแล้วออกไปบําเพ็ญจนได้ตัดรุ้ธรรมจากนั้นท่านก็มาโปรดวงสาคนาญาติแต่ถึงจะมาโปรอยังไงหลายครั้งต่อหลายหนก็มาโปรดแต่สุปพุท ธ, ธะพ่อตาเนี่ยคือพ่อนางพิมพายโสธรันยังมีความโกรธแค้นอยู่ในใจว่าศิตธาเนี่ยพระพุท ธ, ธเจ้าทิ้งลูกสาวของเรเองนี่ไปบวชแล้วก็เอาลูกชายไปบวช ก็เป็นปฏิปักต่อกันคือพระเทวทัตเวลาพูดอะไรขึ้นมาก่อพระเทวทัตไม่ควรทำอย่างนั้นไม่ควรทาอย่างนี้ทาให้พ่อของเทวทัตคือพระเจ้าสุตสุภพุท ธ, ธามีความขุนเคืองในใจอยู่ตลอดวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดพระองค์สาคนายาตพระพุทธองค์จะไปฉันจังหันตอนเช้านะจะไปฉันที่แห่งหนึ่ง แต่ว่าผ่านเมืองไปพระเจ้าสุภพุทธะรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จผ่านถนนสายนี้ไปฉันที่อื่นพระเจ้าสุภ พ, พุทธะมาตั้งวงเล่าอยู่ในถนนสายนั้นปิดถนนมานั้นพระพุทธองค์มาถึงพระเจ้าสุภ พ, พุทธะไม่ยอมเปิดทางให้บอกให้พวกเจ้าหน้าที่ไปบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ใหญ่กว่าเราเราใหญ่กว่าเพราะเราเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เพราะนั้นเราไม่หลีกทางให้เราไม่ยอมหนีจากทางส่วนเซนาอาํามัดพวกมหาเล็กเขากระทูนวะขอพระองค์หลีกทางให้พระพุทธเจ้าสักพระพุทธองค์พร้อมพรประสงค์จะไปฉันจะต้องผ่านถนนสายนี้ไปไปสายอื่นไม่ได้ไม่ยอมพรก่อนที่สุภพุทธจะไปตั้งวงกินเหล้าก็รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าไม่มีทางอื่นที่จะไปเออแค่ว่าไปตรงไปอยู่ที่คอคอดตอะไรเงี้ย แห่ที่ปิดถนนสายนั้นเลยแห่ไม่ให้ไปทางอื่นได้ทีนี้พุทธองค์ก็เห็นว่าจุปาพุทธะไม่ยอมในเมื่อไม่ยอมพุทธองค์บอสพุทธองก็กลับกลับวัดเลยมนะันพร้อมกับพาส่งพอกลับไปแล้วจุปาพุทธะเนี่ยก็ให้ตำรวจหรือว่าคนบุรุษที่สอดแนมจาระบุตรตั้งเนี่ยตำรวจสันติบาลไปตามที่พระพุทธเจ้าจะว่าอย่างไงทีงนี้พอตามไปถึงวัด พระพุทธองค์ก็บอกว่า พ, พุทธองค์แย้มพระโอษฐ์พรโอษฐ์พระเจ้าเป็นดินสุ ป, ปพุทธะในกรำหนักอีกจากนี้ไปเจดวันสุ ป, ปพุทธะแผ่นดินจะสูบอยู่ใต้อัจจจันต์คือพื้นแผ่นดินตรงบันไดขึ้นปาสาแผ่นดินจะแยกตรงนั้นสูบสุ ป, ปพุทธะแผ่นดินจะสูบที่ตรงนั้นทนีนี้จากนี้ไปเจ็ดวันพระพุทธองค์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 เพราะนั้นที่ไปปิดถนนทอนทางถ้าปิดคนธรรมดาก็ไม่คงจะไม่มีบาปกลั่มถึงขนาดนั้นแต่นี้ไปปิดทอนทางพระพุทธเจ้าเขาพร้อมเขาพระพสงไม่รู้พระหารกี่รูปอยู่นั้นไปทํากลั่มหนักสุด ป, ปพุทธไทพอได้ยินข่าวอย่างนั้นแนละ้วก็บอกได้อุทานขึ้นมาบอกขึ้นมาว่าอืหลานของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดจริงไหมเป็นอย่างนั้นไม่เป็นสองแต่เอาเถอะข่าวนี้เราจะจับผิด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 ประตูทุกบานปิดไว้หมดประตูแต่ละบานก็มีบุรุษสองคนทหารสองคนยืนอยู่ข้างประตูอย่างแข็งแรงกำชาไฟบ่อยเวลาข้าจะลงมาสูงเจ้าต้องผักไปนะอย่าให้ข้าลงประตูปิดไว้ให้ดีใส่กรนไว้ให้ดีทุกทุกวันจนกว่าจะพ้นเจวันไปพณอนะไม่ใช่ธรรมดาที่ทิฐิของของคนเอนะไม่ยอมแพ้อระนั้นเ แ, แต่ว่าเชื่ออยู่่าพระพุทธเจ้าพูดหนึ่งไม่มีสองทีนี้พระสงฆ์ก็บอกพระสงฆ์รู้แล้วว่าสุปพุทธะนี่เตรียมการรักษาอย่างเข้มแข็งขึ้นอยู่ปร า, าสาทเจชั้นผลของอุปกรณ์ในการใช้ขึ้นไปไว้ทั้งหมดปิดประตูใส่กรแล้วก็มีทหารยามทุกทุกชั้นบันไดก็พับเอาไว้ แมบว่ารักษาอย่างเข้มแข็งจนกว่าจะเกินวันที่เจ็ไปผ่านไปแล้วจึงจะลงมาตามปกติพระพุทธองค์บอกว่าถึงสุภ ป, ปุทฏะจะปิดอย่างนั้นเจ็ดวันแผ่นดินก็จะสูบตรงนั้นถึงสุปปุทฏะจะไปอยู่ในกลางมหาสมุทรทะเลแผ่นดินจะสูบตรงนั้นถึงสุภุ ป, ปุทฏะจะไปอยู่ในซอกเขา ไปลี้ไปหลบลี้อยู่ซอกเขาที่ไหนก็ตามสุภปปพุทธะเขาจะต้องมาแผ่นดินสุบตรงนั้นเพราะพระพุทธเจ้าพูดแล้วหนึ่งไม่มีสองพระพุท ธ, ธพยากรณ์อย่างนั้นอีกตอนนี้ก็พอจวนเข้ามาพอถึงเจ็วันเขาก็รักษาอย่างเข้มงวดขวดขันพอถึงวันที่เจ็ม้าที่สุ ป, ปพุทธะใช้เป็นเป็นม้านัครบมันคึกขึ้นมาเลย ถ้า ต, ตามปกติม้าตรที่ทำมันคึกขึ้นมาแล้วสุภาพุทธะต้องไปจับเท่า น, นั้นเองมันจึงจะหยุดถ้าใครจับไม่ไ ม, ไมีไม่มีวันเหมืนั้นเถะมันขยโงงโค้งเข็งเต็นอยู่ในใต้บันไดปราศาสระเป็นขอกมา้ม า, าม้าตอมันบัคึกอย่างขนาดหนักเลยพอสุภาพุทธะ อ, อยู่ชั้นบนได้ยินเสียงมา้ามาลึงตึงตังมาลึงตึงตังก็ถามว่าเสียงอะไรบอกว่าม้า ม้ามันคึกมันขนองอยู่ในคอกของมันใต้ถุนปร า, าสาทสุปโท่านลืมคิดจะว่าในตัวเองได้ตั้งกฎเกณฑ์อะไรเอาไว้นะกรรมมันบันดาลอย่างนั้นเนะ๊กรรมคือการกระทําของตัวเองมันบันดาลอย่างนั้นพน่อในส่วนก็บอกให้เอาเปิดประตูเนลงไปหามา้าไม่ได้คิดว่าแผนดีจะสูบตัวเองอนะ่านั้นพอเปิดเปิดประตูก็เปิดเองปุ้ ง, งพอปุ้ง ่นายทวันประตูที่รักษาวันที่ว่าจะรักษาให้ผักอกเอ า, กาไว้ผักคอผักหลังถล่มลงไปพอชั้นหนึ่งผ่านพันที่สองเปิดประตูอก 1, 000, ีกคนพันสองผักลงไปอกีกไปถึงชั้น 3, สามตอวิ่งไปตามบันไดภาค ก, กีจนถึงชั้นที่สุดท้ายฐานบันไดอัศจรรย์ที่ฐานบันไดชั้นต่ําสุดแผ่นดินก็แยกพอแยกเสร็จแล้วก็ สปปรภคุถธธาก่อนลงสู่มหาวีจินรกไม่ได้แสดงความรับผิดชอบหรว่แสดงคารวะอะไรทั้งหมดไม่เหมือนเทวทัตเนีเทวทัตแผ่นดินสูบ่พอสู่ลงไปถึงคอพอถึงคอเลยยังเอาขากันไกรบูชาพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระองค์ได้ทําผิดแล้วทําไม่ถูกไม่มีสิ่งที่จะบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าเอาขากันไกรคือคางของข้าพเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ขอพุทธองค์จงอโ ห, หสิให้ข้าพเจ้าด้วยจากนั้นอดแผ่นดินก็สุเทวทัตแต่สุตปอพุทธะเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยอย่างนั้นเถอะผมไม่ได้ศึกษาไม่ได้บวชเลยไม่รู้จักคารวะขออภัยแล้นไม่มีพอวิ่งลงไปไปถึงแผ่นดินแยกถลําลงไปตกไปมาเวจีมหานรกเดี๋ยวนี้ยังไม่ขึ้นอยู่งั้นเถนั่นแหละอันนี้คือปัจจุบันนะ ก, กลัมกลัมคือการกระทําในปัจจุบันการกระทํากลัมหนักก็ได้รับผล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 อย่างต่อเนื่องอันนี้ว่าวิบัติกรรมสืบเนื่องมาการในการกระทำของของแต่ละดวงวิญญาณของแต่ละคนเพราะฉนั้นอดีตกรรมกดีปัจจุบันกรรมกดีมันเป็นพวกพวกเราท่านทั้งหลายทั้งหมดในการกระทําท่านพิจารณาดูแล้วสิ่งไหนก็ตามถ้ามันไม่ถูกต้อง อย่าไปคิดอย่าไปลิธรรมในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องถ้าทําไปแล้วสิ่งที่เรากระทําไปแล้วนั้นมันจะให้ผลสืบเนื่องไปในภพต่อๆไปเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่พระพุทธเจ้าที่ท่านห้ามไว้อย่าทําพวกเราควรจะจำเนียกจำเนึกไว้ให้ดีควรจะศึกษาให้เข้าใจทำใหม่เพราะเหตุไรสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลาย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 จะให้อยู่หรือจะให้ไปยังไงก็ผมไม่เกี่ยวเมื่อพระไปฟ้องพระอนาถาบุรของไม่เข้าไปเกี่ยวข้องพระก็ไปฟ้องนางวิสาขาอีกไปฟ้องนางวิสาขาวงเนี่ยมีพระองค์หนึ่งอยู่ทําตัวอย่างนั้นะผู้หญิงเตือนตามหลังอยู่ตลอดไปบินทบาดไปเพล่เพล่เดินตามหลังห àng, ่างๆจะเห็นนางวิสาขาพระพุตที่เจ้าประทับอยู่ที่วัดอยู่สมัยหขนาดนี้อยู่โพะฉันไม่เกี่ยว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 พระเจ้าเปรตเศียรมาอยู่แถวไหนกุฏิล้างไหนพระสงฆ์ก็เขียนใครเข้าวัาลักษณะเขียนแผนที่ให้เหมือนนั้นเถอะอยู่หลังนั้นหลังนั้นล้งนั้ น, น, นไปอย่างนั้นอย่างนั้นทีพระเจ้าเปรตเสียรเนี่ยก็เออส่งตำรวจไปก่อนเหมือนนันพอส่งไปก็ล้อมกุฏิเลยพอล้อมกุฏิเสร็จแล้วก็พระเจ้าเปรตเสียรนี่ก็เดินไปตามหลังไปก็เขาล้อมเสร็จก็แสดงว่าเมืองสมัยนะั้นเป็นเมืองน้อยนะพระเจ้าไปดินไปจัดการเองเลยเหนนั้น ตอนพระเจ้าปัสเสณก็เห็นเห็นอยู่ที่หน้ามุกเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่หลังของพระพอล้อมเสร็จแล้วตอนี้ขึ้นไปดูข้างบนกุฏิดูตามใต้ตรงใต้เตียงซอกข้างฝาข้างประตูไม่เห็นเห็นแต่พระพระเจ้าประเสณก็บอกว่าเอาโยมเห็นผมเห็นผู้หญิงอยู่ในเนี้ยท่านเห็นไหมวะอาตมาไม่เห็นเผ่ามันอาตมาไม่เห็นแต่คนเคยพูดรู้ว่าเห็นคนตามหลังเห็นผู้หญิงตามหลังอาตมา แต่อาตมาไม่เคยเห็นเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ลูกเทียมลูกเปล่านี่วะลงมาอีกลงมาอีกดูหทางๆให้ท่านออกมายืนอีกก็เห็นอีกเคลื่อนไปอีกครั้งที่สองพอไปถึงครั้งที่3ามเลปิดตรวจอย่างละเอียดไม่มีโอตไดท่านคงจะมีกรรมอะไรบางอย่างก็เลยประวร น, นาไปท่านครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยท่านไปบินธบัติที่ไหนเขาคงจะไม่ใส่บาทให้ท่าน เพมีผู้หญิงเดินตามอย่างเพรา ะ, ะนั้นขอใหมนพระฉันที่บ้านของกระผมกระผมจะดูแลปฏิบัติท่านอาหงอาหารท่านไม่ต้องลำบากต่นี้ต่อไปจากนั้นก็พระสงฆ์ทั้งหลายเลยดูซิจะกจะให้พระเจ้าแผดินมาไล่ออกไปกลับมาปราราอีกต่างหากพระองค์นี่มันเป็นอย่างไรจากนั้นก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้ า, าเพราะว่าพระอา์นี้พรพระเจ้าปดินสนับสนุนท่านเอง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 พูดแบบโกหกอะไร 6, แต่พวกอื่นเขาเห็นนีแต่ว่าตัวเองไม่เห็นจต่พูดไปอย่างนั้นพูดแก้เกี้ยวพูดข่มเขาไว้อย่างนั้นเถะเพราะว่ามีพระเจ้าเป็นดินหนุนหลังล่ะเต็นี้ก็พระสงฆ์ก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าไปใหญ่ขึ้นไปเรื่อยได้บางไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกมาทั้งสองทั้งสองกลุ่มที่ทั้งโจดและจำเลยอย่างนั้นโจทนั่นก็คือพระสงฆ์ส่วนใหญ่เห็นผู้หญิงเดินตามหลังส่วนพระนี่นก็ไป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 ต้องพูดต่างความเป็นจริงเพราะเราเป็นพระปกติเก่าขู่ให้พระเตือนพระองค์นั้นท่านก็อน่งเงียบท่านรู้ไหมว่าที่ท่านมีอย่างนี้เพราะกรรมของท่านท่านในอดีตเป็นวิบากกรรมของท่านเองพระสงฆ์ก็เลยบอกว่าเป็นวิบากกรรมเลือกอะไรหนอพระเจ้าข่าท่านก็บอกว่าในอดีตชาติมีพระสององค์เหมือนกับออกมาจากท้องแม่เดียวกันพระเคารพนับถือกันมากไปที่ไหนเวลาองค์หนึ่ง เข้าไปถายอุจจาระองค์หนึ่งก็ยืนเฝ้าองค์หนึ่งไปปัดสวะองค์หนึ่งก็ยืนเฝ้าการฉันกับฉันด้วยกัน เ, เวลาจะแยกกันอยู่เวลาพักผ่อนจากนั้นพอเจอตื่นขึ้นมาเอามาเจอกันเดินนุ่กมลนั่งภาวนาก็เป็นคู่กันแปลว่าพระสององค์นี้รักกันมากเหมือนกับออกมาจากท้องแม่เดียวกันแต่สมัยนั้นในยุค ข, ของพระพุทธเจ้ากัดสปะอายุคนอายุยืนสองหมืปี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 จึงลงอุโบสถครั้งหนึ่งต่นี้พอถึงกําหนดวันอุโบสถนี่พระสองสหายที่เป็นรักเคารพกันเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะไปลงอุโบสถเดินทางไปแต่เทวดาอยู่ชั้นดาวดึงเห็นจะกันแกล้งจะแย่เล่นเหมือนนั่นแะเทวดาเกเลก็มีเหมือนกันนะเออเทวดาเกเลเหมือั้นแต่คิดสนุกวหมืั่นแหลคิดสนุกไม่เข้าเรื่องเหมือนนันเห็นพระสององค์ถูกกันดีครับไปด้วยกันตลอดยืนเดินนั่ง อยู่ที่ไหนเห็นองค์หนึ่งก็เห็นองค์หนึ่งว่างั้นแต่นี้เท ว, วดาอยู่ชั้นดาวหนึ่งเอง๊ะจะแกล้งพระสององค์เนี่ยให้ทะเลาะกันไม่ให้มันไม่ให้อยู่นั้นกันเอาจะไงก็เลยองค์หนึ่งเดินกําลังเดินไปเดินทางไปองค์หนึ่งก็บอกเออเดี๋ยวผมจะไปหนาสักก่อนนะผมไปไปป่าสักก่อนให้ท่านนั่นนะวันนี้ก็เป็นที่รู้กันองค์นั้นก็ยืนคอยองค์หนึ่งก็เข้าไปถ่ายอุจระในป่าละมอ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 ย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังในพระบาลีในโอวาทพปฏิโมอกอักตางุกตังเสยโยปัชาตปฏิดุกตังกรรมชั่วจะทํำเฉลยดีกว่าเพราะการรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังและให้สังเกตการกระทําสิ่งใดก็ตามที่มันไม่ดีแล้วสิ่งนั้นมันจะตามสนองอย่างพวกเราทําไม่ถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายเขาห้ามไว้เราไปทํา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 เราไปฆาดพี่ฆาน้องเขาเกาคิดเข้ามาคิดข่าพี่ฆาน้องเราเราพูดดีกับเขาเขาก็พูดดีกับเราเรายิ้มแย้มต่อเขาเขาก็ยิ้มแย้มต่อเรา น, นี่แหละกรรมคือการกระทําถ้าเราทําดีไว้ความดีนะั้นก็จะตามสนองเราเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นพุทธบริษัทเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมพระพุทธเจ้าเน้นหนะักกรรมคือการกระทําของพวกเราอันนี้ที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่อง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 มันไม่อยู่กับตัวจริงๆมันคิดเรื่องนี้มันคิดเรือเ่องนั้นคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้มันที่เราเห็นลิงที่มันหูุริงกรุงหลุดหลอกหลอกแหล ก, ลกๆๆเราเห็นลิงที่เขามาพัดมามัดมาผูกเอาไว้มันแสดงอากับกิริยามันไม่อยู่นิ่งถ้าจะมาเปรียบเทียบกับใจของเราแล้วลิงตัวนั้นะตกขอบไปเลยใจของเรายิ่งกว่านั้นไปอีกยิ่งกว่าลิง เพราะฉะนั้นให้เราสังเกตดูถ้าเอาสมาธิเข้ามาจับแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าจิตใจของเราเนี้มันคิดอะไรบ้างแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละนาทีเนียเดี๋ยวจะว่าทุกวินาทีนั่นแหะอ่ามันขยับว่า ง, งั้นกันนะเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้นี่อันนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้า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 ไม่ใช่ย4สสชั่วโมงตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาจนหกสิบเจดสิปีท่ า, านอายุยืนกับเป็นร้อยปีลงสีโรงงานนี่ติดอยู่ตลอดเวลาเครื่องเดินอยู่ตลอดเวล า, าแต่นี้เราจะเอาลมจับที่ตรงไหนนี่แหละเอากรรมฐานจับที่ตรงไหนท่านให้ก ำ, กำหนดลมให้เห็นลมตัวเองเพราะว่าลมตัวนี้เป็นที่บ่งบอกที่ว่าร่างกายนี่ยังอยู่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 การส่งจิตออกไปข้างนอกการคุกครีกับหมู่คณะสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องตัดออกมาด้วยตัดให้น้อยลงอยู่ตามลำพังอยู่อิสระไม่ต้องคุกครีตีโมงกับใครๆไม่คุกครีด้วยหมู่คณะอันนี้ก็คือที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนสำหรับผู้ที่จะทำจิตใจให้สงบได้ต้องเป็นผู้อยู่เดียวอยู่ลาพัง คนเดียวอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านไปบําเพ็ญถึงหปีอยู่ในป่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าจะเข้าไปดูแลปณิบัติท่านแต่เมื่อท่านจะตัดสู้จริงๆปัญจวัคคีย์ทั้งห้าค น, นี้จากท่านออกมาพระองค์ก็อยู่ตามลําพังพระองค์บําเพ็ญอย่างแก่กล้าจนได้สําเร็จได้ตัดสู้ทำจากนั้นจนึงได้ไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าขณะที่ได้ตัดสู้ทำนั้นปัญจวัคคีย์ทั้งหานี้ออกมาแล้วแต่นี้ออกมานาน มากน้อยยังไงแค่ไหนอันนี้คงจะตอนที่พุทธองค์บำเพ็ญทุกขกิริยาที่วปัญเจวคีตังหันหนีจุดนั้นแต่คิดว่าคงจะไม่หนีนานเท่าไหร่คงจะไม่ถึงปีมั้งนี่แหละอันนี้ก็คือการบำเพ็ญของศิธฐะจนได้ตัดสรุธรรมได้เป็นพระพุทธไตยจากเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเวลาการนั่งสมาธิ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 การปฏิบัติทั้งหมดเพราะฉนั้นการมาอยู่วัดมีอะไรก็พูดกันจ้ะตอนหัวค่าพอพูดกันแล้วกระจบต่างองค์ก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างอยู่อย่างฝ่ายโยมอุบาสิกาก็าเหมือนกันฝ่ายโยมผู้หญิงผู้เท่าผู้แก่การไปพักผ่อนนอนก็ให้อยู่ในความสงบอย่าไปคุยกันการคุยกันมันเป็นเรื่องจะทําจิตให้วุ่นวายคู่ที่เกี่ยวข้องกับ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 พอมาเห็นก็มาคุยกันให้ผู้ที่นั่งสมาธิเปล่าประโยชน์เผื่อๆตัวเองจะได้รับกรรมผลของกรรมที่ไม่ดีมิเป็นที่บากกรรมอย่างที่พระที่ท่านได้รับมานั่นแหละแนาคนนั้นอย่าอย่าทำอย่างนั้นต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างที่บัตรของใครของเราเนี่ยมาอยู่ที่บริเวณศาลาให้พระท่านจุดไฟอาไว้เดินยกมที่ไหน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 เป็นทุกข์เป็นร้อนเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทาทำดีมันได้ดี lightning. ทั้งนั้นอะ่ะแต่ถ้าทำกรรมชั่วแล้วจะได้ดีได้ยังไงมันก็ต้องกรรมชั่วต้องตามสนองแถ้าท้ า, า, าไม่ตายง่ายมันจะต้องเห็นคนที่ทำกรรมกรรมที่ทากรรมชั่วเอาไว้ที่ทำชีจริงที่มันไม่ดีจะต้องเห็นอ่ะไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งอย่างน้อยหัวใจของเขาก็ต้องทุกข์ติดร้อนอยู่ในหัวจิตหัวใจของเขาเนะี่ะ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 ให้แตกสมัครคีกันในสององค์จารแม้เรื่องสมาธิการเป็นอยู่ร่วมกันก็น ค, คือเรื่องของสิ่งพร้อมเพียงสมัครคีกายวาจาให้เรียบร้อยต้วมเย็นเป็นสุขคนมีสิ่งเรื่องสมาธิก็พยายามทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งคนที่ทำจิตให้เป็นหนึ่งได้คนนั้นจะมีหลักใจเหมือนกับเรามีฝาผนัง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 ลาบยศจะรับเสริญสุขสิ่งไหนก็ตามกระแทกกระทั้งเข้ามาสู่ใจของเราเราก็มีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องเป็นเครื่องคุ้มครองใจของเราก็จะไม่ได้รับสิ่งที่มากระทบ ก, กระแทกใจของเราได้เต็มที่อย่างน้อยก็ใจของเรามีเกาะมีที่พึ่งเพราะฉะนั้นพวกเราให้เตรียมตัว ส่อแสวงหาที่พึ่งทางด้านจิตใจคือสมาธิธรรมพวกเราจะต้องไปเจอมอรรสุม่มแน่นอนไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งในภายภาคหน้านี่นะแล้วก็เคยเจอเคยพบเคยผ่านมาแล้วกระแทกกระทำมาเราพอสมควรแต่ว่าที่สิ่งที่มันจะกระแทกครั้งสุดท้ายของเรานะั้นจุดนั้นจะเป็นจุดใหญ่มากถ้าว่าเราไม่เตรียมตัวไม่เตรียมใจเอาไว้นั่นนหะตรงนั้นแหละพวกเราจะ วันไว้ไวแขว่งทุรนทุน ล, นทนลายผลที่สุดก็เนี่ยรับไม่ได้ถึงจะรับไม่ได้มันก็ต้องรับได้เพราะฉะนั้นพวกเราให้เตรียมตัวเตรียมกายวาจาใจเอาไว้เตรียมหลักเอาไว้นะในพูดถึงเรื่องสมาธิต่อไปนะจะพูดเรื่องวิปันสนาปัญญาพิจารณาอะไรข่านต่อไปแต่พูดเรื่องสมาธิทําจิตให้เป็นหนึ่งทําจิตให้สงบ เป็นพื้นฐานไปเนีเ่ยท่านได้จิตสงบเป็นหนึ่งเป็นพื้นฐานแล้วเป็นพื้นไปแล้วจะเดินปัญญาวิปัสนาก็เดินได้พอมันเป็นมีพื้นแห่งความสงบไปแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะบวชในพรรษานี้พระนวกกะทุกองหรือพระเก่าทุกท่านนะพยายามเร่งความภาก ค, ความเพียรพยายามหาโอกาสให้แก่แก่ตัวเอง อย่าไปปล่อยปักปล่อยกายปล่อยใจจนเกินไปอย่าไปถือว่าสิ่งอื่นสําคัญกว่าภาคปฏิบัติเวลากลางค่ากลางคืนกับกุฏิแล้วเออเอานั่งภาวนาเดินจงกมจุดเทียนเดินจงขมนั่งภาวนาให้เป็นชิ้นเป็นอันจริงๆในพรรษาพอออกพรรษาแล้วเออธุรการงานแต่ในพรรษานึ่อยากจะให้เล่นความภาคความเพียรเป็นกรณีพิเศษเหมือนกันนั่นแหละตลอด ถ, ถึงศรัทธา ญ, ญ, ญาติโยมทุกท่าน ในพรรษานีก็อยากจะให้เข้มงวดกวดขันเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาในใส่ใจสำหรับตัวเองเพราะชีวิตของเราก็มาถึงปู น, นี้แล้วเราจะมีมัวเมาลุ่มหลงกับโลกวัตฏสงสารจนเกินไปมันก็ไม่ถูกนะไม่รู้อีกวันไหนไม่รู้วันไหน เ, เราก็จะได้แยกย้ายกันกลับบ้านเก่าจะไม่ได้อยู่ ด้วยการ น, นานเท่านานนะไม่อยู่ชัฟ้าดินสลายนะเนี่ยพอคนมาก่อนก็ไปก่อนพวกเราก็มามากต่อมากแล้วจดนับไม่ถ้วนพวกเราก็เดินตามหลังท่านเหล่านั้นแหะอ่าพวกลูกหลานก็เดินตามหลังเราอีกเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละโลกวัถฏสงสารผู้พระเจ้าจังว่าอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาแต่สิ่งไหนเป็นไม่เที่ยงสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งแต่เป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานะผู้พระเจ้าให้ปฏิเสธหมด สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนของเรามันจะเป็นตัวตนของเราได้ยังไง่าร่างกายของเราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เวลาตายไปแล้วเข็งแต่ไม่เอาใครไม่ไม่เอาไปด้วยได้ตายแล้วแต่กระดูกก็ยังเอาไปนุ่มไปรอยองคง์คงอังคารอี ก, ะกนะารับกระดูกตัวเองยังเอาไปด้วยไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงทรัพย์สมบัติอย่างอื่นหรอกเพราะนั้นถ้าเราเพิจารณาด้านธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้วนั่นแหะ ่ใจของเรานะจะปฏิสนธิไปเกิดพบภูมิอีกต่อไปตายแล้วไม่สูญเพราะงั้นตายแล้วเกิดอีกนะวันนี้ได้พูดพวกเราได้ศึกษาจะยืดยาวนะต่อไปนั่นสมาธิเลยนะที่นีนะทํากิตให้สงบบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธแล้วก็พุโทโธพร้อมกระลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าว่ามันมีช่องว่างให้พุโทโธพุโทโธพุโทโธให้ถียิบทดลองดูนะเอาให้ได้นะ ให้จิตสงบใ น, นในพรรษานี้นะกออนที่นั่งสมาธิปรนมมือขึ้นระหวางอกไหวครูสก่อนพุทโทธรรมโมสังโคจากนั้นก็เอามือลงขาไพเจ้าจะทำจิตให้สงบกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโทพุทโทนะทำใจให้สบายสบายนะ